ต่อารเรียนไวาสดมีตผลต่อาวิสังขารปุตาสังขารต้นสิงค์ันถ้าจุณญาติเรมีบุญมากมีเหตุมีผอตั้งสดสด่ามสุสุขสดสมบูรณ์สุดมัโสดสนุนนะลมีานีมีฐาเราตังสสดตัโลกสัอาโลก มีตนาเสอนิยมัตมีเสสตาตุันราสมโรู้ันเหตุการณ์ใดสิหนึ่โสตุปนธรรมดาสินั้นัดเทยเป็ธรรมดาถ้าเปะอริยบุตราก็ะโสดเปิดเผพระบุายัไจัดสพักผลไม่ผานพระโพตวาทีัจะบรรลนิพพาน ในอนาสัตกานทำด้อย่างดีไม่โดนสบพาดที่จะต้องจัดตัวอีกเทั้งหลายเหล่านี้ระเป็นสังขารเพื่อว่าปัญาที่สังขารอปญาที่สังขารสังขารให้คนมีมีคามสุขามสโลมสุนชอบานพลาดมุขมณฑลเพื่อว่าปัญญาที่สังขารเศรษฐที่ทำให้โดรับสุขบาล การต้ต้ขจากเพื่อว่าอาภรณ์ยาที่สังขาระังนั้นเวลานี้เราั้งหลาจะมาสร้างณ์ยาที่สังขารสร้างเนสมาธิภรณ์ทำเป็นแผนการสร้างพลังงานให้เกิดบุญทำให้เรามีสติสัมปชัญญะมีสติภรณ์ยาสร้างไว้เสีได้จนสานา เราแส่งจงเจตของเราให้ปฏิวัติเป็นสุขสิทธิ์สุขได้ตามแนวทางหองอริยบุตรอริยชนตามขั้นตอนมีตัดาสิกาตาดาตาอารักตตัดให้เราทั้งหลายจะกล้่นใจมันปฏิบัติตามเยี่ยงอยาของบุกชนโตปฏิบัติสดเพื่อสป็ระสงดาคนทีสมนัดสมประสดาบันหนึ่ในวิชาสัจโท มีตาพระท่านในสุนทรพระพุทธเจ้าประทับสะสมดั่งเล่เล่ไมัดจับมีวิชาเตมอมีาระท่านในสุนทพระพุทธเจ้าและทสะสมอย่างมั่นคง้หลักเกลียวแม้มาสโตรเป็นให้เริกประทปฏิบัติบีปฏิบัติทอดก็ไม่ยามเลอะแม้ไตสมาสโรเอาสีวิตก็ไม่หยาบต่อดาบันเนตองมั่สี่ผ้า เขาต่าดันลุ่งหน้าปฏิบัติปฏิบัติชอบโดยไม่ขยันจะมีการตั้งใจคุณเขาจะเป็นได้พระธรรมและส่วนให่แน่ๆไม่เะพาะแต่เพียงน้อมใจตั้งจนกล้องส่นคนขอเขาจะเป็นได้พระธรรมและส่วนได้บัรเกิดต้นในจิตของท่านผู้นั้นเลยจิตของท่านเป็นต้นพระสูรูต้นพระโตอุตตระ แม้ท่านจะไม่ตั้งใจที่จะรักเราการักใคราใครคือการตัดขาดส่งข้อกัดเราจะตั้งใจจะตัดขาดเราจะตัดขาดะทำเราสงข้อตเราตั้งใจเพื่อารสทีเียวเพืโมชาคนนักพัการโดทางคำสอนสอนและสติเจ้าข้อตแต่หากิตขอครับยอับแล้วโดยอัตโนมัติยอับแล้วโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่ามันดูเหนือการเข้าใจที่จะให้เป็นสนับรักษาจิตเ็นไปเองโดยธรรมชาติของปัญญาที่สังสารที่สมแข็งให้จิตของทันมันเริ่มถึงคนตาจนตาตาจารู้สึกความสุขสุขส่วความเห็นเข้าข้างตัวได้ลดซึ่งใจแรงท่านจึงสลัดติลึกต่อการบจิ ถาวัปฏิบัติท่านเป็นคนละสมบัติของอริยบุคคลอย่างมั่นคงความรู้ความเห็นที่ร่าตกายตนของเราโลกเวตนาสัลญาสังขารตนเราตนของเราคามเห็นอันนั้นท่าได้สลัดอ่อนไปแล้วถึงแม้ว่าจะยังสลัดเป็นประชันตัวร่างกายไม่ไล้ยังผูกพันอย่แต่ความรู้สึกทัศน์ท่านจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้ว อันนี้เป็นตะเคนตงว่าโลกไม่ใช <Keep world> ่ตนตนไม่ใชลกโลกไม่มีในตนตนไม่มีในโลกเวทนาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่มีในตนตนไม่มีในเวทนาปัญญาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ปัญญาปัญญาไม่มีในตนตนไม่มีในัญญา สังขารไม่มีต้นตนตนไม่ใช่สังขารสังขารไม่มีในตนตนไม่มีในสังขารเืญาณไม่ใช่ตนตนไม่เหื่อญาณเหญาณมมีในตนตนไม่มีในเยืญาณร่างกายที่มีดูกตัแต่ว่ากายเตินาสัญญาสังขารยืามีอู่ัแต่ว่าเติมธนาตัดแต่ว่า ว่าโธ่ทำกระานทำประกอบกันเท่าอาศัยตัศน์ปนัดาสตว์บุตรตัวับเราเขาให้ติดชนมาเทโถราดจีนใส่เห็นเพราะการปฏิเของกฏิเไม่ปฏิเสธละามยึดมั่นือมั่นในโลกโากนาฏารยานิยจันทร์ได้จังยึดู่เิด แต่ความรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่ในความรู้สึกของท่านตลอดเลยนะถ้าท่นรู้คาสิของกถาญาณที่เป็นไตตามกดสองธรรมชาคืออนิกันทุกขังอนัตตาการจงละสิลดสงนี้จึงจสังเกตกถาญะที่สิ่งได้โดยติปอุกิจขาวคามลังเลสงสัยต่าง เราทำสอนเขาศาถ้าศาสนามีจริงหรือไม่มีจริงก็ททามีจริงหรือไม่มีจริงอริยสัจมีจริงหรือไม่มีจริงท่าายสงสัยเพราะหายสงสัยนี่เองจึงได้ชำระทุกสิงทุกอย่างเพื่อข้อรักปฏิบัติคมกาลังกายกาลังจิตเพื่อมูชาก็ปฏิบัติจนไม่เนต่ความเหนน่งไม่เนต่ความ แล้ชีลิตร่างกายสไตล์สลาวลงเตา็การปฏิบัติภูงลานการดีท่านได้วอมเสือละไม่เหยาะพอจนกระััโงเพี่ยงตรงต่อกัะเถอเหอาะไม่ทานไม่ให้ข้อแวะเสือละกักปรมะการปฏิบัติอันใดแต่สะดิ้นไม่จริงไม่กจหยอกยอกฟันเดินลกโลกกันกัน ได้หายเส้นเต่าสดแล้วมื่อคามรู้สึกที่จะเอาจิงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากไม่เต่าเราถึงการเต่าจะขอใดบันจะไม่เมี่อตามตัเต้าเสียไปแานจะบอกว่าตายดีเข่าสดเอาไปดีกว่าพระอุตตฆาญะทศอัตตะที่วัดตุมมะดาลาน์เต้าคนปัาญาที่สารเถรหนุ เวาสงครามโลกตั้งที่อทารจิอเมริกาการทิ้งะโตดในอุตนาก่เวลากลางตัวเจ้ชั่งปิดมาทิ้งะเดท่านจะออกนังอยู่ที่เฉลียงหน้ากระตูแต่ลงนั้นเจ้าพระยาจอมพลรั้นสุขข้าถวายท่านท่านจะมาเล่นเฮ้ไมไลบไทยกรจะไม่ลบไทราจแข่งศึกปรีดุตัน ท่านเหลือท่านกดใครเท่าไรตำรวจสันติบาลก็ะคุ้มครองท่านจกปุถุตำรวจแจกใจถามกัานว่าพระเดชพระชนไม่ตัวตายหรือท่านบอกว่าจะไปกลัวทำไมตายแล้วโดดอําหลีตีกว่าสัตว์ดีก็พระดชเกลียงเลยว่าพระโสดาดันญาติเบี้ยตาโกตุกัดนั้แต่ท่านศึกษาท่านจะเป็นพระโสดาหรือไม่อนันต์กษามน้าทีกระทาบได้ แต่เมือท่านแสดงแสดงแสดงว่าท่านไม่หวังต่อการตายตายไม่เลยตายได้ไม่กรกรทานยังแสบยตาอไปว่าตายแล้วตัว่านีกว่าท่านฆ้าตนใสสุนานามดีที่ท่านทำจริงนะทานพระสัชชต่อโู้พระธรรมนิกรพระดุสคนณพะอาจารย์เต๋อกันตะศิโรโครสัญญากัน เป็นวัวตนตัวตายตัดรวมหัวตนเราศาสตาสนาตั้งต่อยันตนตั้พิสุลตัวตัดเป็นตัวตนไปด้วยตัดแต่ธรรมนิพพ์ของทันมีพระอาจารย์เสาอาจารย์ก่านเจ้าคุณธัรญาที่สาลถเองร้อตูดลึงร้อยสูรสือประวัิตูดสือประเสริฐท่านทั้งหลายเหล่านั้นเปูนตตได้กรสท้านได้กลัวต่อการตา เปนตักล้าเปเทคนหน้าต่อการตายเะการตายเป็นควไม่เปลี่ยนสำหรับท่านท่านต้องจรงแล้วถาหาตายแล้วถ <Af> ้าสำเร็จมรรคผลนิพพานก็สู่นิพพานถ้าหากไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานมีกุณณาทามดีก็สุขสิ่งเป็นที่หวังถ้าท่านทำานดีมาท่านก็แม่ใจว่าท่านจะได้ตดาลัวนท่านจึงได้โอมใจ บาปใอดาสุาจิตาพระผู้ทงสามเณรของเรามีบาปผู้สุดสนั้นสุยจักหอยังสงสัยตัวเองอยู่าวังสงสัยตัวเองอยู่เืมถ้าให้ทำบุญสุขสันต์ทำสมาธิภาวนาให้จตใจมั่นคงต่อผลสัพพัพนธรสงแล้วก็พยายามละสิงที่มาเปตนบาปนอาสุ แสดงความดีให้บรรดาตั้งสติสัมปชัญญะทำสิ่งให้เกิดขึ้นใจิตสมาธิให้มีราจิตปัญญาให้มีราจิตเสรีสติปัญญาสามารถพิเคราะห์ทุกสิ่ทุกอย่างในแก้วปัตยรัตนทานิจังทุกขังอนัตตาจนเราไม่ต้องใจจะวิเคราแต่อาศัยการตรกจจับร่างตัว เมื่เราจะเกิดปัารมึงการายเหโตเกิดปัจ um, จิตระาษถ้รักท right ันทีเมืวอนาดาจัดจิตราษถ้าเนักทันทีมีสัญญาจิตระาทันทีมีสังขารจิตระาทันทีมีอินญาจิตระาษถ้ารั้ทันทีจิตระดาษโรคเทนาสัญญาสังขารอิญญาล้วนจะตกยู่ในบกของธรรมธาตุิจังตกหลังอนัตตาโดยกันเดินานั้น แต่เราพิจารณาเหนอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในจิตของเราโดยเห็นชัดเจนทำให้สติสังกัจจะของเรามีเด่นชัดเราจะรู้การไม่เชื่อตนทุกตนอนัตตาของอารมณ์จิตการมีสติสังดกูอารมณ์จิตเปการต่อใจอารมณ์การตึงเสียใาในจิตหอกจากนั้นจะสามารถมอเน ถ้าเดนตัวทุกเส้นมันจะติดตัดสู่ใจในจิตตลอดเวลาแตอเราตงปิดเส้นถ้ไปอานตันโตโนไม่ทันอธิธานไม่พันวามรน้ไม่จีงลาสุดเสยนยึดพอยรดทำให้เกิดคามยิตดีพอเห็นตัวตาตันขากึดทัศทำให้เกิดคามยิร่างตองสุดตัวีิสวะกันหา มาดูดคารเปนทั้งสองอย่างเคยยินดียิไร้เอาไว้เป็ส่วนภวะปัญหาปลาตกสุดแล้วอันดับต่อไปลรามีสติโตอยู่ที่จิตของเราตลอดไปเนื่าเรามีการตัญหาภะวะปัญหาที่สร้าปัญหาการปัญหาทำให้เกิดการยินดีนั่อภาวะปัญหาทำให้เกิดทำให้เกิดการไม่ยินดีคือการไม่่อใจ ทนให้สดให้ตุกต่อปลาสดตุกในจิตกรลับจับเรลยนกันไปทให้เรามองเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอิสุกกันในจิตทุกขังนจิตเรามองเห็นตุกตุกต่อปลาตุกในจิตมีสติสัมปังจะติดรู้อยู่ที่จิตตัวรงสามารถกำหนดหมายรู้ได้ว่านี่ตัวทุกขอริยสัจสุขก็ตุวตายก็ตัวรู แม่เจโตกันต่อเต่าแต่จะพุทธไม่มีอะไรสดแอกจกพุทธไมงเลยอะไรแบบจะรั้เรส่วงจริงาริตไม่มีความปกติม่เจ็บในใมเป็นปกติแตะการจิ่อตาดขึ้นในจิตการัที่โลภตบาสมุนเป็นปกติมาตราตะการยืนยืนตราระการยืนได้แม่ไม่มีวารยืนยืนไม่มีการยืนได้การตัรหาษภาวะาที่ภวะบรราประหมดไป ติดโซปกติกลายเป็นตัวนิโรธะเปลขึ้นัเป็นนิโรธามีความสงบนุ่งไสสะอาดสว่าะสมบสูตลอดเวลาหลอดติดเป็นนิโรธาหับสาติดับอาการของจิตเดชทีปจะมาลดปวดด้วยทุกข์ให้สิ้นข้อหนึ่งเมื่ปราจากใจหนดแล้วเป็นเือความสงสัยเหมือนสงบเรา อะไรทันก็มาติดสามารรู้อนก็มาติดรู้นาาู้นนโลโลอย่างมีตสติปัญารู้เท่ากันสมาธิของท่านผู้นั้นกลายเป็นสมาธิใดอวิยมักเกิดในควาสงบางสไายร่าร่าทั้ตงตลอดเวลากิตนตัวน้็กตัวใาญ่านเข้ามาถึงกระแสแห่งการสว่างก็ตกไปเกิดผลแมลงกินเข้ากับเขา แนวเตปรชญาจริงและควรก็ษามารถพิจารณาเห็นขั้นพิจาพณาดำเนินไปถงการพะพบจากแท่จริงจนเรียกาพัินากฏิปทาเกิดตจสงบไร้เหตุในสภาวะมองสห็นว่าพะที่เปิดประตูกักจิตตลอดเลยนะเป็นยอดแห่งการรู้ธรรมะการตามเปจริงยอดจริงจริงสงบไปยอดธรรมังกับปัญญามิโลถ้าธมังติ องๆเ้นนธรรมดาสิ่งนั้นตัดเจนธรรมดาการโน้มน้อมหนั้นสูงสุดมีอยู่เพียงแค่นี้ส่วน่อว่าอะไรเป็นอะไรนั้นลักษณะท่านได้บรรจับเอาไฉ้าจะไปว่าท่านปรารนท่านก็ไม่ได้เขียนแบบสูตรเอาไว้ว่าน่ลักษณะน่อะไรต่ออะไร่อเวลาท่านปรารถนแล้ว แต่ท่านจัดสรู mm ้ท hmm. mm ่านจัดการแต่ท่านจัใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือท่านกระเทียนแต่ว่าปฏิบัติทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่ละลเล่านั้นไมเด่นไปยุ่งยุ่งรายระดับาวตรัสตุานิสส์ระองจำรถกระแทงของกระองโลลมขายใจเข้าขายใจอออาไหลมขายใจเป็นสุนันจิตให้เข้าไปนู้ดภายในไต เม่อเห็นใจสงบนึ่งสบายดูทางโลกเก่ก็มองเห็นการเป็นไปของตายมองเห็นกายันแงเห่งอสุภะต่วตนของสติปุณณะเกิดโต้ก็มองเห็นกายันแง่แห่งกายบริสุทธิ์สะอาดจราศจากโทก็มีสีธาตุบริสุทธิ์สะอามสสัมปัญญะมีพลังงานเกิดไดาสุนรสามารถกาหนดรู้ทัรมนของธรรมาติห่งปัจจแระธรรมทันได้เก วัตถุธรรมรนานั้นออนิจจ์พื่ขังอนัตตาเร่พตระทยไม่เลื่อนนั้นดันโลกสุเทวากาลุสัตยานโตตาปาตวาคาสมะวะทะาสเลื่อนละภาก่อนเติมเปพนภาระเดินไล่ตายเกิดตกองผลแห่งตการที่จะทำเกิดใหรมรรสอาดสะอาดอาสวะเเลือสอาอาสวะายานั้นอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติว่ากต้องสร้างศี่ธรรมาที่ธรรมดาให้มันเสริม้างทุกแล้วจะต้องพิมพว่าท่านจะํารนจตัวอารมณ์จิตของท่านเพิ่มขันดาจิตเท่านั้นอะไรากิดขึ้นแับเราท่จะรู้อะไรเกิดขึ้นแับเราท่นจะรู้เพราะดที่อารมณ์ในปัจจุบันและอารมณ์ในปัจจุบันสามารถเป็นตัวนอิทิพโองค์เข้าสลบลงไปต่อเพื่อองค์ทางที่สดีาทีอิสุกโตัมขะตสามารจับลก เปิดเผยในภาษาในสัญญาณบนตัวป like, ัจจยปัาสระปัญญและญาติอื่นๆตามที่สาวสอพุทธตุกและแสดงสติและละหักถึงในปัจาสัมพุทธเดาในโลกส่วนหลักสูตที่เราไดอ่านได้เรียนกันเขียนเป็นตัวจดแปสุขันทร้ว่าถ้าองคว่าแยกแยะัจจัยเอาต่อไปแล้วองค์แดงทาเเอใดั ดวยรองคตจะประทานธรรมมจากพระวัตสดะแม่ประการตาโดยควาิสัครรักทีัมตระแดงธรรมจากพตะญนตสดทห้คนเธอฟังสือว่าส่วนนตะเวทีตะเวอันตาตเะละเวิสภาโดยการทโตทั้งแล้วส่วนสดสองอย่างอันแบบพะิไม่ควรต้ออนส่วนสดสองอย่างคืออะไรการมาสุั้นในการเรียกการตรวะสอบต่อในัวันการมาสุก การกินนักขาไม่ยอดประการตนให้ตัวพันในการพละการตนให้ระดับตามลำดาบทางนั่นทำยังไงเจ้าเดตามมัตติมาปฏิจารณาทางสักัซึ่งเจ้องค์เล่าปฏิติมาแล้วต่อเมื่อก่ารแสดงจบร็วไปแล้วักบากประบรรจัดตั้งสื่อเอามันว we we ่าธรรมะที่เจ้าองแสดงเล่ามันหมุนเวียนหมุนส่งกันไปเหมือนกลมล้อ ลหน้าเล่าลหน้าเค่อนทันให้ล้หลังเกลื่อนเนินการตั้คันตั้งสิ่งั้งตวดธรักรตัสวัสนาสูตรแต่ตอนแรกกระโดดกระดาษกากันะเด็นทันธรรัสวัสนาสูตรให้ตกั้งวางกะด็นให้โบกธนาตั้งกระโดดโบกธนาสูตรกระตั้สูตรสุดข้าสูตรอะไรแล้วแตเอาู่ของตนัหรือสูสถานที่กัน คือเจ้สูตรที่เจ้าทำที่สงแสนงเอาวันนี้แต่อปนใจทำไดเกี่ยวกับตรงเด็กเอกก็ใจรักโดยธรรมชาติตรงจากศาสตรหลักศิชาในตมทีเอาสารจริยมีปราศสงสารขึ้นในจิตได้เล่าสู่กันฟัหากถึงได้จิตศาสตร์ศาสตร์ผมีการโต้ความเข้าใจในักเกณฑอันนี้แต่โจทย์ทระาแต่เขาดต้นให้กตร ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปเป็นพิธีการขอย้ำอีกครังหนว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่เราจะทำจิให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำปติให้มีสิ่งลลึกอารมณ์สิ่งรู้นั้นทำตาโน่น <ay> กัว่ายารมตายะจัดว <t> ่าเป็น <acoustic Swift. t> ส <t> ่ร <t> ู <t> ้ป <t> ิต <t> ิรมตายะจัดว่าเนที่อาใส่ละลกสิงรู้สงอาใส่ละลก แต่เราการนหตุโตสนั้นเิเตเอาสงบตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นนั้นเกดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เลือติโนกอยู่กับสิ่งนั้นเมือกสติก็ตั้งดู่นั้นเรียกว่าสิสัมผัถ้าปตินั้นคงโดยไหลังไหลเรียกว่ามหาปติสัมผัสจะเป็นอะไรก็ได้แต่มหาปติสัาท่านกาหนดหลายต้องตายเวยนาจิ่งน เป็นเงือนไขที่เราสามารถรู้ดยจิตโใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวโองโดยกายกับจิตเอเตนาก่อเติมตากายจิตเตกมตาตายธรรมติาตยทําไมลถึงว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีกายไม่มสิ่งใดที่เกิดไม่ได้เอเตนาเป็นสิ่งทีเกิดจากกายสุขเกิดที่กายทีสิ่งก็เกิดที่กายทุขก็เกิดที่กายจะได้ถ้าจะจิดตัวนี้ปล่อยทิ้งกายไปแล้วเอเตนาจิตธรรมไม่มีที่สุดก็ะจิตก็ไม่ อยู่ทตคามคิดเมื่อจิตเมื่อจิตนี้อยู่ในสมาธิอย่างทัานคนได้ไหลติดติดมันติดดัดติดันไม่มีการคิดตัวตัวรู้ไม่ดัดทำเพื่อที่วอดข้าที่จะมารับทวนทันก็ติดเพราะจิตไม่สมใจดวยวรดข้าในกระจดที่ตายก็จะกระจดที่จิตกระจดเป็นผู้รับรู้ จะรู at ้อะไรต้างอนไรตาเราสามารถที่จะรู então, ้ได้ด้วยการดูอารมณ์จิตด้วยควารมีสติสัมปญะถ้าได้รู้เื่องรติวิสติสติสติสติไม่ได้แต่เราสามารถที่จะกำหนดรู้ได้เพว่อารมณ์จิตด้วยคามมีสติสัมปรัญะเมื่อเราทำจิตใหมีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งไู้โดยเราตั้งใจว่าท่านจะรู้เฉพาะสิ่งที่ท่านคิดในปัจจุบันนี้เท่านั้น ลองเดเูสิเอาจิตต่อลูิที่จิตนี้ติรป้ได้หรือที่ตัวนิเรราะายเธตนาจิตและธรรมเป็นรืดองาดรู้ต่อิตตาหูจมูกจมูกใจใจจมูกสุดข้นล้มลงเก็บู้เดือดได้รู้การต่ก็มีจิตเรจะนกันดต้งลงที่จิตคูที่จิตอย่างเดียวมากไปที่จิตมุกไปที่จิ คามโลภเสพที <łość> ่จิตความตละหนักรูที่ิสมาธิเสพที่จิตปัญญาเสที่จิตดังนั้นตนก็เป็ที่จิตเยียวยาเยือกลขอสมวรเสพตาละตุลาจึงขอตสิทธิ์ลมสตาละสนุ